คุณดนัยมีอะไรคุยกับหลวงพ่อคุยเลยนะเพราะว่าเย็นหลวงพ่อต้องเข้ากรุงเทพวันนี้เข้าปล่อยๆภาระเยอะก็อรู้สึกว่ายังมันมันมีความยึดอยู่ค่อนข้างมากครับหลวงพ่อครับและไอ้ความยึดนี้มันก็เลยทําให้มันให้ทําให้ไม่ค่อยเป็นกลางครับ เ, เวลาที่เราเข้าไปดูอะไร รู้สึกเหมือนกับมันดูพลาดอยู่เรื่อยครับมันภาคเหรอภาคไม่มีปัญหานะจิตมันจะภาคเราห้ามมันไม่ได้นะแต่เราอย่าไปช่วยมันภาคเท่านั้นนหละอย่าสือเราไปเห็นแนละ้วจิตมันบอกว่าโทสะอะไรเงี้ยโทสะเกิดแล้วอะไรเงี้ยแค่นี้ไม่เป็นไรถ้าเราไปช่วยมันภาคก็ไปคิดต่อโทสะไม่ดีอย่างงั้นไม่ดีอย่างนี้ทําทยังไงจะละได้อันนี้ยฟุ้งซ่านต่อละ ตรงที่จิตเขาภาคของเขาเองหรือเขาปรุงสุกปรุงทุกข์ปรุงอะไรขึ้นมาที่จิตเราไปรู้เข้าได้นยังไม่ใช่ตัวปัญหายัางโทสะเกิดเนี่ยยังไม่ใช่ปัญหาจิตมันมีเหตุที่โทสะจะเกิดโทสะก็เกิดหรือราคะจะเกิดก็ยังไม่ใช่ปัญหามันมีเหตุที่ราคะจะเกิดราคะก็เกิด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 มีสติปัฏฐานสูตรย่อยๆ อ, อีกหลายสูตรในสติปัฏฐานทุกๆสูตรเนี่ยกริยาหลักมีอยู่คําเดียวคือคําว่ารู้หายใจออกยาวก็รู้หายใจเข้ายาวก็รู้หายใจออกสั้นก็รู้หายใจเข้าสั้นก็รู้นี่ยืนอยู่ก็รู้เดินอยู่ก็รู้นั่งอยู่ก็รู้นอนอยู่ก็รู้มีแต่คําว่ารู้ครูก็รู้เหยียดก็รู้เหลียวซ้ายก็รู้แลกวาก็รู้ะก้าวไปก็รู้ถอยหลังก็รู้ รู้อยู่มีความสุขก็รู้มีความทุกข์ก็รู้เฉยๆก็รู้มีราคาก็รู้ไม่มีราคาก็รู้มีโทสะก็รู้ไม่มีโทสะก็รู้นมีโมหะก็รู้ไม่มีโมหะก็รู้ฟุ้งซ่านก็รู้หดหู่ก็รู้มีนิวรณ์ก็รู้มีการมฉันทะนิวรณ์ก็รู้รู้ว่านิวรณ์เกิดจากอะไรนิวรณ์ดับไปได้เพราะอะไรหรือตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ภายนอกก็รู้ทันะ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 เกิดขึ้นชั่วขนาดเดียวเองชั่วขนาดเดียวสังโยชน์ก็ขาด่ะขาดแล้วขาดเลยไม่กลับฟื้นคืนขึ้นมาใหม่ะอย่างสังโยชน์ทั้งหลายก็ไม่ใช่สิ่งที่เกิดตลอดเวลานะคุณ น, นันก่นหลวงพ่อเข้าใจผิดก่อนหัดภาวนาใหม่ๆหลวงพ่อคิดว่าสังโยชน์มีอยู่ตลอดเวลาอย่างเวลาที่จิตลงผวังเนี่ยสังโยชน์ไม่มีหรือเด็กเกิดใหม่ๆเนี่ย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 ถนนนี้วิ่งไปถึงไหนอะไรเงี้ยเรียกวิจิกิจฉาเทียมนตัวนี้ไม่ใช่กิเลสเด็กไม่มีวิจิกิจฉาคือไม่ลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆนะ์เด็กไม่มีศีลรัตตตาปรามาตไม่ได้ถือศีลบําเพ็ญพุธอย่างงมงายเพราะเด็กไม่คิดจะถือศีลบําเพ็ญพุธอะไรนะวันๆแค่ได้กินนมก็พอใจลนะได้นอนได้ทําตัวอบอ่นงั้นเด็กเกิดใหม่ๆไม่ได้มีสังโยชน์แต่มีอนุสัยนะ พร้อมที่จะงอกกิเลสหยาบๆขึ้นมาพร้อมที่จะสร้างสังโยชน์สร้างอะไรขึ้นมาใหม่อีกของเราก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าอนุสัยจะเกิดตลอดเวลาในขณะที่จิตของเรามีสติขึ้นมาอนุสัยก็ไม่มีสังโยชน์ก็ไม่มีถ้าเราขาดสติเมื่อไหร่กิเลสก็เกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นตัวกิเลสเองก็เกิดเกิดดับดับ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 แต่ขณะที่พระโสดาบันขาดสตินะจะไม่มีสักกายที่จิขึ้นมาไม่มีละขาดแล้วขาดเลยดูลงมาทีไรนนะั้นไม่มีความรู้สึกว่ากายนี้ใจนี้คือตัวเราเลยแต่ว่ายึดถือไว้ยึดถือไว้เฉั้นการภาวนาถ้าจิตของคุณนัยมันจะภาคจิตของคุณนัยจะมีความโลภความโกรธความหลงอะไรเนี่ยไม่ใช่ปัญหานะแต่ถ้าเราเกิดยินดียินร้าย ยินดีในความดีของมันในความสุขของมันยินร้ายในอาคูสนในความทุกข์เนี่ยจิตจะดิ้นจิตจะทํางานอยากให้ดีเห็นไหมความอยากเกิดจิตจะดิ้นอยากให้พ้นทุกข์เนี่ยอยากให้มีความสุขอยากให้กิเลสหายไปจิตจะเกิดการดิ้นทั้งนั้นเลยทันทีที่ตัณหาเกิดจิตจะดิ้นเพราะฉะนั้นให้รู้สภาวธรรมทั้งหลายอย่างเป็นกลาง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 แต่พอท่านแสดงธรรมเสร็จแล้วถามเราว่าเข้าใจไหมเราก็จะบอกว่ายัางไม่เข้าใจอยากขอไปลองก่อนหรือาบางตอนไหนเข้าใจก็บอกว่าเข้าใจล้มก้มลงกราบท่านนะพอเงยหน้าขึ้นมาเราพบคนอีกคนหนึ่งที่ไม่รู้จักคนแก่ที่นุ่มนวลใจดีคนนั้นหายไปอัตโนมัติเลย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 ครูบาอาจารย์สอนอะไรไม่ค่อยฟังรู้สึกไหมถ้กิเลสสอนแล้วฟังนะอย่างครูบาอาจารย์บอกเอ้าเดินจงกรมกิเลสบอกนอนถามดูเชื่อใครถ <c oughs> ามดูเ <c oughs> ชื่อใครนะมันไม่ได้ยากนะไม่ได้ยากอะไรเลยบรรยากเพาเราไม่รู้หลักเราสู้แบบมวยวัดพระพุทธเจ้าสอนหลักนี่ชัดเจนที่สุดเลยงั้นธรรมะของท่านถึงแจ่มแจ้ง เอมแจ้งที่สุดธรรมะของท่านงดงามในเบื้องต้นในรรมกลางในที่สุดนะพระพุทธเจ้าสอนอย่างหนึ่งธรรมจักเนี่ยที่ท่านแสดงธรรมจักท่านหมุนกงล้อของธรรมจักแล้วเนี่ยทันทีที่ท่านหมุนกงล้อธรรมจักแล้วจะไม่มีใครต่อต้านได้แล้วงั้นถ้าเราเข้าใจอริยสัจ เ, เข้าใจธรรมจัก น, นั่นเอง ให้ไปนั่งเถียงกับไข่ก็ได้นะอริยสัจเนี่ยครอบคลุมธรรมทั้งหมดไว้แล้วครอบคลุมธรรมฝ่ายเกิดคือทุกข์และสมุทยัยครอบคลุมธรรมฝ่ายดับนะคือนิโรธกามกครอบคลุมธรรมฝ่ายของกิเลสครอบคลุมธรรมฝ่ายกิเลสอย่างตัวสมุทยัยครอบคลุมธรรมฝ่ายที่พ้นกิเลสคือนิโรธครอบคลุมตัวทุกข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 ตั้งแต่หลวงพ่อเจ็ดขวบนะหลวงพ่อภาวนาแต่ทำได้แค่สมถะไม่มีวันใดที่ไม่ทำเลยคิดว่าการปฏิบัติมีแค่นั้นแหละนั่งหายใจธรรมานาปนานสติจนอายุยี่สิบเก้าติดทำสมถะยี่สิบสองปีไปต่อไม่เป็นไปเจอหลวงปู่ดูลท่านสอนให้ดูจิตตัวเอง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 ภาวนาแล้วทุกน้อยลงไหมให้รู้ลงไปตรวจสอบตัวเองเรื่อยๆนะเครื่องตรวจสอบมีนะพระพุทธเจ้าสอนมาเยอะแยะไม่ใช่ภาวนาแล้ววูบหมดสติไปตื่นขึ้ น, นมาบอกมรรู้พระอรหันต์นะ <c oughs> อย่างนั้นมันหันไปหันมากิเลสมันไม่หมดหรอกนะเอาเชิญโยมไปทานข้าวนิมนต์ครับนิมนต์